วิมานในโลกทิพย์ <sh> สงสัยว่าในโลกของๆ ท่านได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ได้อธิบายให้ฟัง จึงอาจแบ่งได้เป็นหลายชาติ นี่เป็นเพียงเพราะในการศึกษาเรื่องเหล่านี้หนึ่งหรือภูมิหนึ่งในโลกๆๆ ผู้ปาฏิคาที่อยู่ในภูมินี้ส่วนมาก ก็ได้พบกับๆซึ่งเช่นต้นๆ แล้วก็มักจะนึกว่าสิ่งเหล่าๆแรก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 วิมานท่านบอกว่าความเชื่อในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เกิดรอเราอยู่แล้วท่านบอกๆๆๆ อันหนึ่งท่านได้บอกว่า 1 ท่านได้บอกว่าอย่าลืมว่า มันเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นไปเองโดยไม่รู้ คนที่ทำบุญไว้และหรือที่ตั้งใจเอาไว้มั่นอยู่ในบุญเมื่อตายแล้วจะต้องมาอยู่ในภูมิเดียวกันนั้น ท่านบอกว่าแม้ว่าท่านจะได้ตายจาก อธิบายหลักวิชาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นวิชาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านขอร้อง และทุกอย่างในโลกนี้เห็นได้ชัดว่ามีวิญญาณทุกอย่างในโลกนี้เห็นได้ชัดแต่ ไม่ค่อยจะติดอยู่ในเรื่องวัตถุนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ แต่จะเห็นได้แต่เพียงบางส่วนมองก็ยังจะมืดมัวต่อเรื่องชีวิตเพียงนั้นที่ต่ำขึ้นและ <c oughs> ในฐานะที่ท่านเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนฐานะที่ท่านเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนท่านบอก และทุกสถานที่ด้วยทุกสถานที่ด้วยแต่ต่อมาในเมื่อ กับนักวิทยาศาสตร์ผู้เข้าใจโครงสร้าง เฉพาะเรื่องของพลังงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์อยู่กับ แต่ถ้าหากพูดถึงความร้อนภายในร่างกายถ้าหรือพูดให้ชัดพูดถึงคนที่มีความรู้แต่ในด้านวัตถุร้อนภายในเช่น นอนหุ่มผ้าแต่ถ้าเกิดตกใจกลัวอะไรขึ้นมาก็อาจจะเหงื่อออกได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดตกใจ ซึ่งอันที่มนุษย์เช่น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 σε συν τι τα μη θέτ Fun, <San> do I'm going to the